พระไตรปิฎกเล่มที่สิบหสังยุตตนิกายนิทานวัรรลาภสักการะสังยุตรประมวลเรื่องลาภสักการะที่ทำให้คนเสียคนทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจึงไม่ควรปล่อยให้ลาภสักการะชื่อเสียงครอบงำจิตจนลืมตัวเพราะถ้าไม่รู้ทันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งเบ็ดที่มีเหยื่อล่อให้หลงกลืนลงเข้าไป สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาหถีทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมอันกเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักละลาบสักการะและความสัรเสริญที่เกิดขึ้นลาบสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ว่าด้วยลาบสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเบ็ดภิกษุทั้งหลาย ลาบสการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยากคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแก่เหยื่อกลืนกินเบ็ดที่เกี่ยวเหยือ่อซึ่งพรานเบ็ดหย่อนลงในห่วงน้ําลึกมันกลืนกินเบ็ดของพรานเบ็ดอย่างนี้แล้วได้รับทุกถึงความพินาศ ถูกพรานเบ็ดทำได้ตามใจปรารถนาฉะนั้นคำว่าปราณเบ็ดนี้เป็นชื่อของมานใจบาปคำว่าเบ็ดนี้เป็นชื่อของลาบสการะและความสันเสริญภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาบสการะและความสรนเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เรากล่าวว่าเกลือนกินเบ็ดของมาร ได้รับทุกถึงความพินาศถูกมานใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนอยากคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะละลาบสการะและความสันเสริญที่เกิดขึ้น ลาบสการะและความสันเริญที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้กุมมะสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสการะและความสันเริญเปรียบเหมือนเตา่าถูกเชือกมัดภิกษุทั้งหลาย ลาบสกาวรักและความสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมเรื่องเคยมีมาแล้วมีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่ในห้วงน้ำแห่งหนึ่งมานานครั้งหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งตึงที่อยู่แล้วพูดว่าพ่อเตา่าเจ้าอย่าได้ไปอย่างท้องถิ่นนั้นนะเต่าตัวนั้นได้ไปอย่างท้องถิ่นนั้นแล้ว ถูกในพรานยิงด้วยลูกดอกลำดับนั้นเต่าตัวที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าตัวนั้นถึงที่อยู่เต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปท้องถินนั่นเรือตอบว่าฉันได้ไปท้องถินนั้นมาแล้วถามว่าแล้วเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีดอกเรือ ตอบว่าฉันไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีหรอกแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้เต่าตัวนั้นกล่าวว่า่เอาเถิดพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีก็ตามเถิดแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละเจ้าไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วข้อนี้หมายถึง เต่านั้นแม้ไม่ถูกทุกตีแต่ก็ทำให้ในายพรานตามาหาได้ถึงญาติพี่น้องของเต่านั้นและมาทำร้ายครอบครัวของเต่านั้นคำว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าลูกดอกนี้เป็นชื่อของลาบสการักและความสันเสริญคำว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคภิกษุบางรู ยินดีพอใจลาบสกการะและความสันเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะลาบสการะและความสันเสริญนันเปรียบเหมือนลูกดอกถูกมานใจบาปทําได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทีฆะโลมิกสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสการะและความสันเสริญเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกน้ำเกี่ยวภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรม เรยบเหมือนแกะขนยาวเข้าไปสู่พงน้ำมันพึงติดถูกน้ำเกี่ยวเกาะได้รับทุกถึงความพินาศในที่นั้นๆอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถูกลาบสการะและความฉันเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าครองอันจ ร, ราวาสก ถือบาและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมเธอติดข้องถูกปัจจัยเกี่ยวกาอได้รับทุกถึงความพินาศในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรลุธรรมอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ มีละหากาสสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสการะและความสรนเสริญเปรียบเหมือนมแมลงวันกินคูดภิกษุทั้งหลายลาบสการักและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมเปรียบเหมือนมแมลงวันกินคูดเต็มท้องและเปื้อนคูดคืออุจจาระและข้างหน้าของมันยังมีคูดกองใหญ่ มันยังดูหมิ่นมแมลงวันเหล่าอื่นว่าเรากินคูดเต็มท้องและเพื่อนคูดเรายังมีคูดกองใหญ่อยู่ข้างหน้าอีกอุปมานี้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถูกลาบสการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าออกไปบินทบาทอย่างบ้านหรือนิคมฉันพัฒหารจนพอเก่บความต้องการ และทายกยังนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นแม้อาหารของเธอจะเต็มบาทเธอไปอารามแล้วยังพูดโอ้อวดท่ามกลางหมู่ภิกษุว่าผมฉันพอแก่ความต้องการแล้วทายกยังนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอาหารของผมก็เต็มบาทและยังจะได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริการอีก ส่วนภิกษุกเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิน้อยจึงไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัชบริคารเธอถูกลาบสกาวระและความสันเซินครอบงำย่ำยีจิตจึงดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักการกระทาของโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนาน ภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้อสส์นิสูตรว่าด้วยลาบสการะและความสันเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้าภิกษุทั้งหลาย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 ลาบสักการะและความสัเสนเริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ทิทฐสูตรว่าดยลาบสักการะและความสัเสนเซิญเรียบเหมือนลูกศร อ, อาบยาพิษภิกษุทั้งหลาย ลาบสการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมบุคคลยิงลูกศร อ, อาบยาพิษถูกใครลาบสการะและความสรนเสริญย่อมติดตามระเสซะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลคําว่าลูกศร น, นี้เป็นชื่อของลาบสการะและความสรนเสริญภิกษุทั้งหลายลาบสการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณ เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเถิทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สิกขาละสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบส ก, การะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อนภิกษุทั้งหลายลาบส ก, การะและความสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทารุณ เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าข้าสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดีอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินยืนนั่งนอนในที่ไหนไหน ก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาภสการะและความสันเรินครอบงำย่ำยีจิตอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดีอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินยืนนั่งนอนในที่ไหนไหนก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภพิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้เวรังพะสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสักการะและความสรนเสริญเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณ เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมลมบ้าหมูพัดอยู่ในอากาศสัตว์กนกที่กำลังบินอยู่ในอากาศเมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัดเท้าไปทางหนึ่งปีกไปทางหนึ่งศีสากไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินน์นี้ก็เหมือนกันถูกลาบส ก, การะและความสรรเสริญครอบงามย่ำยีจิต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 ภิกษุพวกหนึ่งนำจีวรของเธอไปพวกหนึ่งนำบาดไปพวกหนึ่งนำผ้านิสีธนะไปคือผ้าปูนั่งสำหรับภิกษุพวกหนึ่งนำกลองเข็มไปเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูซัดไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายลาบสกการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณ เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้สักข้าทกสูตรว่าด้วยลาบส ก, กาวราะและความสรนเสริญมีอบายเป็นผลภิกษุน์ทั้งหลายลาบส ก, กาวราะและความสัรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรม เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจะตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกรหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจะตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกร อันหนึง่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองอย่างครอบงาย่ำหยีจิตแล้วหลังจะกตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษสุทั้งหลายลาบสักการะและความสัรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปว่าสมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทยอมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งด้วยมีผู้ศักการะและสองด้วยไม่มีผู้ศักกะภิกษุผู้เข้าฌานมีความเพียรพิจารณาด้วยปัญญาที่สุ ข, ขุม ยินดีในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทานนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษสุวรรณปาติสูตรว่าด้วยถาดของคำภิกษุทั้งหลายลาบสกการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรม เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะถาดทองคำเต็มด้วยผงเงินเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสการกและความสรรเสริญครอบงำยำห่หยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใ้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพระททาะถาดทองคําเต็มด้วยผงทองคําเป็นเหตุแม้เพราะทองคําแท่งเป็นเหตุแม้เพราะทองคําแท่งหนึ่งรยแท่งเป็นเหตุแม้เพราะทองสิงคีเป็นเหตุแม้เพราะทองสิงคีหนึ่งรอยแท่งเป็นเหตุแม้เพราะแผ่นดินที่เต็มด้วยแร่ทองคําเป็นเหตุ แม้เพราะเห็นแก่ของกำนันเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุแม้เพราะชีวิตเป็นเหตุและแม้เพราะนางงามประจำแคว้นเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาบสการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ธ, ธรรมอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ตัิยาวัคหมวดที่สามมาตุคามสูตรว่าด้วยมาตุคามคือสตรีภิกษุทั้งหลาย ลาบสการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งเท่ารุนเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมมาตุคามคนเดียวไม่สามารถครอบงามจิตของภิกษุรูปหนึ่งนางงามประจำแคว้นคนเดียวไม่สามารถครอบงามจิตของภิกษุได้แต่ลาบสการะและความสรนเสริญสามารถครอบงามจิตของภิกษุได้ภิกษุทั้งหลาย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 พึงวิงวอนว่าลูกเอ๋ยขอพ่อจงเป็นเช่นจิตตขหาบดีและหัตถกะอาลาวกะอุบาสกเถิดจิตตขหบดีเป็นเศรษฐีซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัตคะคือเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายทางด้านเป็นธรรมกถึกส่วนหัตถกะอารวะอุบาสกเป็นอุบาสกชาวเมืองอาลวี ซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัทักษะคือผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายทางด้านสงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุสีบรรดาอุบาสกสาวกของเราคือจิตตากษาบดีลหัตกะอาละวกักกะอุบาสกเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนอีกว่า ถ้าพ่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราคือสาวรีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเอ๋ยขอลาบสการะและความสรรเสริญจงอย่าครอบงำเจ้าผู้เป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยเพราะสิ่งนั้นย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิสษตทั้งหลายลาบส ก, การะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เอกัทิตุสูตว่าด้วยทิดาคนเดียว อุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อจะวิงวอนท่ดาคนเดียวซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจโดยถูกต้องพึงวิงวอนว่าลูกเอ๋ยขอเจ้าจงเป็นเช่นนางกุจชุตราอุบาสิกาและนางนันธมานดาชาวเมืองเวลู ก, กันทะกะเถิดนางกุจชุตราอุบาสิกาเป็นชาวเมืองโกสัมพีได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเอตตัทธัคคะคือเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายทางด้านเป็นพระหูสูตรส่วนนางนันทมาดาอุบาสิกาเป็นชาวเมืองเวลุ ก, กันทกะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตตัทธัคคะคือเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายทางด้านเป็นผู้อุปัฏฐานางพึงวิงวอนอีกว่า ท่าแม่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวันนาภิกษุณีเถิดท่านเขมาภิกษุณีก่อนบวชเคยเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารเมืองราชฤกษ์แคว้นมคตได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตตทัศคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายทั้งด้านเป็นผู้มีปัญญามาก ส่วนท่านอุบลวันนาภิกษุณีเป็นชาวเมืองสาวัตถีแควนโกศลได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัดทักคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายทางด้านเป็นผู้มีฤทธิ์มากบรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเราเขมาภิกษุณีและอุบลวันนาภิกษุณีเป็นผู้ช่างได้วัดได้ นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเอ๋ยขอลาบสักการะและความสรนเสริญจงอย่าครอบงำเจ้าผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตตผลเลยถ้าลาบสักการะและความสรนเสริญครอบงำย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สมณะพรามณะสูตรว่าด้วยสมณะพรามภิกษุทั้งหลายสมณะพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดขุนโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสกการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริง ไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งลาบสการะและความสันเสริญตามความเป็นจริงสมณพรามหมลานั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่จัดว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ส่วนสมณะพราหม์เหล่าใดเหล่านึง่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาบสการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริงรู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งลาบสการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริงสมณะพราหม์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหม์ในหมู่พราหม์ทั้งท่านเหล่านั้น ก็ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน